s ือโศกันว่าก็มีแนวทางที่ดทุกตั่ถ้าไ้ไปเรียนมนรู้ไปลยงอแล้วว่าอไิ้งถือ้นกนิด่ที่เรียนภาษาที่เรียน ก็มาหาสำนักคนคนหนึ son ่งในท้องตลาดมากกว่าเห็นสภาวะผู้ใดผู้อยู่จะแจ่มแจ้งแล้วก็จะเข้าใจทั้งหมดการเรียนศาสนาพูดเหมือนการเรียนแบบกลุ่มตัวอย่างเหมือนงานวิจัยเลยถึงที่ว่าทำมาวิจัยเรีนการวิจัยเราไม่ได้เรียนรูปทั้งหมดแต่เราเรียนกายในกายหรือรู้กายบางอย่างถ้ารู้กายบางอย่างจะรู้ทั้งหมดเรีนเวทนาบางอย่างแล้วรู้แล้วจะรู้ทั้งหมด เรีนจิตบางอย่างรู้แล้วก็จะรู้ทั้งหมดเป็นการที่จูนเห็นว่ามีเถือไปเพ่งไหมเรารู้สึกขึ้นเป็นอยู่กลุ่มนี้ก็ได้ก็ใช้ได้นะบาคนเห็นโทสะเจ้าโทสะโท ส, สะเกิดบ่อยดูเป็นผููเดียวกับพอจิตมีโทสะกับจิตที่ไม่มีโทสะก็จิตทั้งวันก็มีอยู่แค่นั้นมีสองน่ะวันไหนโลภะเกิดบ่อยก็ดูจิตที่มีโลภะกับจิตไม่มีโลภะ แ่คนส่วนใหญ่ยังลงบอดอ่าเรหคือว่าที่ตงหมกิเ่อปนงที่มสิ่งที่มนนีิ่งีมันเพิ่เื่อยนะ่วีที่ที่รู้จุดที่ริงีมีนิดเดียวที่ีนดเดียวช่วขณะเท่านั้นเพราะมันแค่พิริกาสมาธิตั้งขึ้นช่วงขณะ ทักษะการรับรู้มรูและรูพา้ตรงนี้นะคะนเหมือนกับว่าการ้เป็นาทอะไการรู้และ้มคเอแนจะต้องฝึกจากข้างในฝึกสรู้อยู่ภายในไม่ใช่แ่สภาวะตับเกิดจากทางมโนสภานั้นเดียวแต่ฝึกไม่ใช่เพ่จะอยู่ตรงนี้หรอกฝึกไปเพื่อให้จาสภาวะได้แม่นเสร็จแล้วก็จะต้องออกมาอยู่กับโลก ธรรมะจะไม่หลีโลกนะชีวิตของเราอยู่ที่ไหนก็ต้องปฏิบัติที่นั่นกาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ต้องไปอยู่ตามวัดธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมะไม่ได้อยู่ตอนเข้าคอร์สธรรมะเกิดขึ้นเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเมื่จมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสเมื่อกายสัมผัสเมื่ใจคิดธรรมะเกิดตอนนี้นั่งอยู่ขับรถอยู่โดนกระบาดหน้าโมโ oh หรั่วโมโ oh ห ความโกรธก็เป็นธรรมะหนึง่งความโกรธฝุดขึ้นมาก็าสอนธรรมะเราอีกสอนความจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวันนี้ขับรถเจอแต่ไฟเขียวอะนยมันมีความตกความตกฝุดขึ้นมาก็เป็นธรรมะสอนเราอีกธรรมะนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปวันนี้เจอแต่ไฟแดงหงุดหนะงิดนะความหงุดหงิดก็เป็นธรรมะธรรมะทั้งหมดเลยเกิดทั้งวัน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 มันคอวามู้แ่ไหนมันอยู่ในองเรามใช่แต่ว่าเท่ากับการสภาวะของจิใจมนายู่ในของนีู่ดซึมดูดมมันท้เอะนมาสันเออะสติสติต้องเกิดเองสติที่สร้างให้เกิดมันไม่ใช่ของจริงเป็นสติปลอมเมื่เราปึกจำสภาวะได้แล้วเราไปสติเกิด เกิขึ้นมาเรื่อยๆไม่ได้จงใจนะสังเกตไหมว่าพอสติเกิดจริงๆใจนี้จะโล่งใจจะรู้ตื่นเบิกบานสงบกะอาสว่างใขนขณะเดียวนั้นเลยนักปฏิบัติจํำนวนมากเลยไม่ได้เรียนหลักสูตรของพระพุทธเจ้าให้ครบหลักสูตรของพระพุทธเจ้าเรียกว่าใรสิกขาหลักสูดของท่านเรียกว่าใรสิกขาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขา ถ้าเรียนไม่ครบจะมีปัญหาโนะดยเฉพาะจิตตสิกขานะพวกเราละเลยนักปฏิบัติจํำนวนมากละเลยบางคนคิดว่าการหัดเข้าฌานนะี่เป็จิตตสิกขานั่งสมาธิรูกเดียวเลยบอกว่าทําจิตตสิกษาไม่ต้องทาจิตให้สงบนัมนนบางคนละเลยจิตตสิกษาไม่สนใจเลยไม่สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องจิตอยู่ๆก็ไปเจริญสัญญาเลยไปกําหนดรูปกําหนดนามอะไรอย่างนี้ แารไปรู้รูปนามมันท่นานการเจริญปัญญาก่อนจะเจริญปัญญาได้ต้องมีศีลศิษยาจิตศิกยาก่อนถ้าเราไม่รู้จักจิตที่ถูกต้องแล้วเราไม่รู้ว่าจิตชนิดไหนเอาไว้ทํำมิปัสนาจิตชนิดไหนไว้ทําสมถะจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลเรามากักจะพยายามเอาอากุศลจิตเนี่ยไปเจริญมิปัสนาหรืออย่างเก่งที่สุดก็เอาจิตที่ควรทํำสมถะไปทำํทำมิปัสนาคอยทิ้ง เพ่งรูปเพ่งนามเพ่งกายเพ่งใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเจริญปัญญาเรียนสองหลับสูตรแรกก่อนสีลสิกขาไม่ใช่เรื่องไปขอตีนจากพระนะศีลสิกขาคือเราต้องเรียนอจิตยังไงเป็นจิตที่ปกติจิตยังไงจิตธรรมดาจิตยังไงจิตซื่อใสเหมือนจิตของเด็กจิตซื่อ ร้อมจะเรียนรู้เด็กเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เยอะกว่าผู้ใหญ่จิตมันซื่อจิตที่มันไม่ซื่อเพราะว่ามันถูกกิเลสครอบงํานั้นเราต้องมีสติรู้ทันจิตเราไว้นะกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจก็รู้มันรู้ไปกิเลสครอบงําจิตไม่ได้จิตจะมีสีนามธรรมสีตัวนี้เรียกว่าอินทรียสังวรสีไม่ใช่สีเด็กครอบไปขอสีห้าสีแปดสีสิบ นั่นเปนศีลจากทางจริยธรรมศีลสําหรับนักปฏิบัติชื่ออินเสียสังวรศีพระเจ้าท่านบอกว่าพิสูจนทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตไม่มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะกล้ำงําจิตจิตจะไม่มีศีล น, นะจิตจะผิดปกติปัะตูกิเลสกลำ้ำงาท่านสอนอบอกชัดพิสูจทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูป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 ความยินดียินร้ายเกิดที่จิตไม่รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงํา่านไม่ได้บอกพิสูจนทั้งหลายอยากกระทบขัดสะ่งพิสูจทั้งหลายกระทบขัดสัแล้ว ก, ก็กําหนดไว้อย่าให้ยินดียินร้ายพิสูจทั้งหลายเมื่อยินดียินร้ายให้หาทางละเสียไม่ได้สอนอย่างนี้เลยสักคาเดียวแต่พวกเราชอบทำทำเกินที่ท่านสอนยกตัวอย่างนะสมมุติเราอยู่ยยมีคนมนดา่าเรา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 แต่ถ้ามีสติเราถูกด่าปุ๊บโศสะพุ่งขึ้นมาเห็นโศสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดับทันทีนะถ้าสติตัวจริงเกิดกิเลสจะต้องดับทันทีนะพวกเราไม่ใช่ดูไปกิเลสก็คาอยู่มสติก็คาอยู่มันเกิดร่วมกันไม่ได้หรอกสติตัวปลอมหรอกมันจะมีอย่างนั้นสติตัวจริงรกิเลสจะต้องดับวับทันทีเลยเพราะฉะนั้นพอจิตมันเห็นโทสะพุ่งขึ้นมาโศสะจะดับโศสะครอบงำจิตไม่ได้แนละ้ ไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปตีเขาไม่ไปดา่าเขาสีภายนอกเกิดขึ้นนะเดินเดินไปเห็นคนเขาทากระเป๋าสื้อตังโลนใจมันอยากได้รู้ว่าอยากได้ไม่ใช่ไปกําหน ด, ดให้หาอยากนะรู้ว่าอยากได้ความอยากก็จะแสดงไตรักให้ดูเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้ดูเมื่อเราเรียนเพื่อให้เห็นของจริงไม่ใช่เรียนเพื่อเข้าไปจัดการมันถ้าเราจัดการเก่งนะสมมติว่ า, วาโกรธขึ้นมาก็พุโทโธพุทโธ โ, โลคเข้ามาพุโทโธ รู้โปรดก็โปรดเนาะโลภ ก, ก็โปรดเนอะในสุดไม่โลภไม่โปรดเลยเรารู้สึกว่าผูเก่งผูเก่งขึ้นกลายเป็นเพิ่มอาตาัตกาขึ้นมานะรู้สึกเราบังคับได้เราจัดการได้ทั้งที่ทำทั้งพวงเป็นอนัตตาเราทําอะไรไม่ได้นะยฮะเรียนจนเห็นว่าเราทําอะไรมันไม่ได้แล้วมันปล่อยวางแล้ว ค, นค้นทุกข์เขราปล่อยวางไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะเข้าไปจัดการมันได้ต้องตั้งหลักให้ดีนะ เพราะฉะนั้นเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้กระทบไปตามธรรมดากระทบแล้วอย่าไปตรึงความรู้สึกไว้อย่ากําหนดไว้ให้เกิดความรู้สึกตามธรรมดาและมีสติรู้ทันาจะเห็นเลยสภาวธรรมทั้งหลายที่ผุดขึ้นมารุ่นจะเกิดแล้วกระดับทั้งสิ้นไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นภูมิความรู้ของพระโสดาบันอยู่ตรงนี้ทั้งหากไม่ได้อยู่ที่บังคับจิตจนไม่มีกิเลส น, นะ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 กิเลสก็เป็นธรรมะอย่าปฏิเสธกิเลสกิเลสเป็นธรรมะชื่อว่าอาคูสุลธรรมกูสุนเป็นธรรมะชื่อปูสุลธรรมเสมอภาคกันนะถ้าเรารักกูศลเก ล, ลียดอาคูสุนเราก็ยังไม่จบหรอกได้แต่เป็นคนดีเป็นกีวดาเป็นพรหมเนื่องการที่เราฝึกจนเกิดสติที่จูนเรียนยังจะเท่าสติอัตโนมัติเกิดขึ้นเกิดขึ้นพวกเราที่เรียนเรียนนี้มีหลายร้อยคนแล้วนะ ที่มารายงานหลวงพ่อบอกไม่ได้ปฏิบัติแต่สติเกิดทั้งวันทั้งคืนเห็นตลอดเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตเคลื่อนไหวเห็นคนทำได้เ ย, อ, เยอะแยะเห็นไปอย่างนี้มันนปัญญาจแจ้งก็ทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไล้สดอภิษถัดจากนั้นรู้ ก, กายรู้ใจต่อไปอีกจนกจะทั่งมันปล่อยวางความยึดถือกายได้ได้ผ้านอันค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 ไม่มีคนตื่นเลยจริงๆอะ่ะฝันนั่งฝันทั้งวันนะคือคิดไปเรื่อยๆใจหลงอยู่ในโลกของสมมติบัรจัตรตลอดเวลาคนที่หลุดออกจากโลกของสมมติบัรจัตนี้นับตัวได้ไนะน้อยเต็มทีถ้าไม่ศึกษาธรรมที่ผู้เจ้าสอนให้ของแทร้รู้ว่าสติเกิดก้ออะไรแล้วก็ไม่ตื่นหรอกถ้ารู้ว่าสติเกิดเกิดก้อจิตจําสภาวะได้แล้วหัดรู้สภาวะรู้กายเนืองเมือ ง, ง, งรู้เวทนาเนืองเนืองรู้จิตเนืองเนืองยังจำสภาวะได้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 ยกตัวอย่างสมมติคนทั้งห้องรวมทั้งหลวงพ่อด้วยนะสมมติพวกเราทุกค น, นรวมทั้งหลวงพ่อที่ชั่วเท่ากันเชื่อไหมในห้องนี้จะไม่มีคนชั่วเลยจะมีคนดีเท่ากันหมดเลยก็ อ, อะไรก็ไม่มีการเปรียบเทียบขึ้นมาถ้าทุกคนหลงเกิดมาก็หลงหลงมาตลอดชีวิตเราจะไม่รู้สึกว่าเราหลงอยู่ไปชี้หนะ้าหลวงพ่อเคยเจอนัทีนคุยค่อยเนยะมาหาหลวงพ่อครั้งแรกนะมีอยู่คนหนึ่ง พอบกเอารู้สึกตัวเข้าไปสบัดหน้าพึดเลยโมโหนะดิฉันไม่เคยขาดสติเลยเออเก่งไเจอพระอรหรันต์ก็แล้วไม่เคยขาดสติเาะอะไรเราไม่รู้จักความรู้สึกตัวก็จะไม่รู้จักความหลงดันั้นที่เราหัดว่าให้รู้สึกตัวไม่ใช่เพื่อจะรู้สึกตัวไม่ใช่เพื่อจะเอาถ้าเราเอาความรู้สึกตัวอย่างมากที่สุดไปกลอมโลก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 เ ร, รื่ของธรรมดาดูของธรรมดานี่งั้นความรู้สึกตัวเกิดได้แวบเดี๋ยวก็จะดับมาดับแล้วก็มีสองช้อยให้เลือกอันหนึ่งหลงใหม่คือหลงไปในโลกของความคิดกลับไปหาอารมณ์บัญญัติอีกสองเพ่งไว้นักปฏิบัติเนี่ยพอรู้ว่าเปลือปลกปุ๊บจะเ พ, งเพ่งปั๊บเลยเข่งไว้เลยถ้าเราเรามีสภาวะหลายหลายอย่างเราจะรู้เลยตรงที่เปลือห้ามมันไม่ได้ตรงที่รู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแลว้วรักษาไว้ไม่ได้ ความหลงความเผลอเป็นตัวแทนของอาปุสโรจิตความรู้สึกตัวเป็นตัวแทนของปุสโสรจิตทั้งกุสโสและอาุสลสล้วนแต่เกิดและก็ดับล้วนแต่บงังคับไม่ได้เสมอภากคกันเี่ยอย่างนี้นะเห็นซ้ำๆจิตจึงยังคลายความยึดถือออกไปได้ถ้ายังเห็นว่าจิตนม่มีดีบ้างชั่วบ้างสุดบ้างทุกบ้างแล้ว เ, เลือกได้นะเราก็เลือกเอาสุขเลือกเอาดีเรายัางนึกว่าเราเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้านไม่เข้าใจเลย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 กายมีทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากหรือทุกน้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์ล้วนๆนี้แหละเรียกว่าเห็นทุกข์ถ้าเห็นทุกข์อย่างนี้จะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือจิตได้ถ้ายังเห็นว่าทุกข์บ้างทุขบ้างไม่ปล่อยออกแต่จะเอาสุขจะเอาดีในการที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเห็นโอ้เหลือก็ห้ามไม่ได้รู้สึกตัวก็เอาไว้ไม่ได้เห็นเลยทั้งดีทั้งชั่ว สุขทั้งทุกข์จะเห็นทุกอย่างนะมีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์มีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเือเอาไม่ได้เอาไม่ได้เลือกก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้รักษาก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้ควบคุมก็ไม่ได้มี่อย่างนี้ถึงจะเห็นใส่รัถ้ากําหนดล่ะกําหนดมันเหมือนปุ่มได้นะปวดขึ้นมาปวดเนอะปวดเนาไม่ปวดแล้วโลภขึ้นมาโลภเนาะโลภเนาไม่โลภแล้วแก่แก่ไปแล้วเก่ง มงังกรไม่มีกิเลสเลยตลอดชีวิตนม่มี่เลยนึกว่าเป็นพระอรหันต์แท้จริงจะหลงลึกๆจะรู้สึกจิตเป็นหัตตาแล้วังฝักได้ฝักได้เพราะอยากเห็นของบังับไม่ได้ดูของจริงหัดรู้สึกตัวขึ้นมาให้เป็นก่อนเราจะรู้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาหลงอยู่รู้สึกตัวขึ้นมารู้ว่าหลงไปไม่ใช่เพื่อเอาความรู้สึกตัวแต่เพื่อจะเห็นว่าหลงไปก็ห้ามไม่ได้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 ยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุข ล, ล, ล้วนๆนิพพานไม่ใช่อยู่ตรงที่หมดความรู้สึกไปถ้านิพพานหมดความรู้สึกแล้วบอกว่านิพพานมันโกโดนวางยาสลบก็คือ น, นิพพานหมดเราอย่าไปลดคุณค่ า, าศาสนาพูดอย่างนี้เราสามารถมีความสุขอยู่ในขณะจิตนี้ได้เลยโดยที่จิตไม่ได้เกาะ อ, อะไรค่อยๆเรียนนะ ไม่ใช่ที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเราก็จะได้รู้อ๋อเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวเพ่งเดี๋ยวรู้สึกเดี๋เผลอเดี๋ยวเพ่งเดี๋ยวรู้สึกวนไปเรื่อยๆมีแต่ความไม่เที่ยงสภาวะเผลอการเพ่งการรู้สึกตัวเสมอภาคกันคือแสดงไตรลักษณ์เท่ากันอันนั้นต้องให้สติเกิดขึ้นเองต้องให้สติเกิดขึ้นเอง นิสสติไม่ได้เกิดจากกำหนดไม่ได้เกิดจารสั่งบางคนไปเดินจงกรมนะหลวงพ่อเคยเจอเดินกระแทกแรงๆกระ แ, แทกเท้าถามว่าทำไปทำไมก็เพื่อจะให้สติเกิดถามว่าอยากให้สติเกิดรู้ไหมอยากครับอยากนั่นแหละโลภะอกุศลกำลังเกิดนะสติไม่เกิดหรอกโนมใส่แว่นตาถูกไหมใจมันวิ่งไปอยู่ที่อัตา ม, มาเด่นนะใครดูนะใครรู้ทันไม่ห้าม เราเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลง ต, ตลอดเวลาดูเพื่อให้เห็นว่ามันพองเปี่ยนแปลงไม่ใช่ดูเพื่อเข้าไปจัดการมันตั้งหลักให้ถูกนะการปฏิบัติเพื่อจะเข้าไปจัดการทุกสิงทุกอย่างนะอย่างเก่งที่สุดทาแค่สมมติแต่การเห็นตามความเป็นจริงยังไม่ได้เข้าไปแทรกแซงใจแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมรู้อย่างนี้นะรู้ลงปัจจุบันไปรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้มนมาอย่างแท้จริง จิต ท, ที่ตื่นขึ้นมาเนี่ถ้าเรียนเรื่องจิตศิกปคาแล้วจะทราบจิต ท, ที่รู้สึกตัวมีสติเป็นกุศลเนี่ยจะมีองค์ประกอบจำนวนมากเลยมีฮิริโอตตาปะไม่มีธรรมดาแล้วมีอยู่แล้วมันจะมีความไม่โลภไม่โกรธเกิดขึ้นมันจะมีความเบาดีย๋ยวรู้สึกไหมจิตมันเบารู้สึกไหมหจิตนุ่มนวลเบาคือล่างตตานุ่มนวลคือมุตุตารู้สึกไหมหจิตเคลื่นนอ น, น, นอ ท, ท, ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีแต่เกิดดับแม่ตาคุณตาความคล่องแก้วเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นส่วนใหญ่ที่นักปฏิบัติสร้างขึ้นมานะั่นคืออกักขูศน์นะต่างก็อาจจะตกใจนะปฏิบัติแล้วอกักขูศนเกิดอกักขูศนมีลักษณะยังไงจิตที่เป็นอกักขูศลอันแรกเลยมันหนักนะมันไม่เบาพอลงมือกนนําหนดทุบหนักปั๊บเนี่ยจิตโยงนั้นเป็นอกักขูศนลจิตจิตที่เป็นมหาอกขูศนลจิตต้องมีลักษณะเบาโยมใจลอยแล้วทราบไหม ให้รู้สังเกตไหม ใ, หใจลอยห้ามมันไม่ได้แต่พอเรารู้จักสภาวะของมันเราจะตื่นได้แต่ตื่นได้แวบเดียวตอนนี้ใจลอยอีกแล้วทราบไหมดูเพื่อให้เห็นว่าเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ดูเพื่อบังคับนะไม่งั้นถ้าเราไปบังคับให้นิ่งแล้วปัญญาจะไปอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงนี้สัห์เนี่ยแอ่ไปคิดแล้วทราบไหมดูอย่างนี้นะดูโลกปัจจุบันแต่ง่ายนี้เดียว จริงแล้วถ้าเข้าใจหลักที่พระเจ้าสอนและการปฏิบัตินี่ราบรื่นมากไม่เหนื่อยมีแต่ความสุขนะมีสุขตั้งแต่สติเกิดแล้วพอสติเกิดจิตก็แช่มชื่นเบิกบานรู้สึกไหมมันแช่มชื่นเบิกบานขึ้นมาสติไม่เกิดแลใจก็แข็งแข็งขึ้หนักหนักแน่นแน่นซึมๆึหลายคนปฏิบัติจนซึมเลยนะซึมถาวบอลแก้ไม่ตกเลยบางคนหลวงพ่อมานั่งแก้ตั้งสี่ห้าปีครกระเทื่องกระเทือกขึ้นมาประคับมันมากไป ใจลอยตเดแล้วทราบไหมดีเนี่ยหัดดูรู้สึกไหมติตไปฟ้องบังคับไม่ได้ทํางานตลอดนั่นแหละคือคำว่าไม่เที่ยงรู้สึกไหมบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวโรคเดี๋ยวปวดเดี๋ยวหลงเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวสูงสั้นเดี๋ยวหดผูกหมุนแต่เนี่ยตกระวังแวบหนึ่งรู้สึกไหมมันเบลอหายไปนิด อย่าจงใจตอนน <pensar S 2> ี้จงใจมากไปแล้นะโลภเกิดเนี่ยจิตมีโลภนะลองไปดูตะกี้จงใจไปดูเอออยากถามให้ถามกสังกตการที่ดีแล้วก็มีเวลาทำตมในะเห็นา่อ้ ก็ดีมากใช่ใช่ัเป็นรเนท้เาที่มีสมแล้วก็จิตที่ได้นะครับเลือกไได้ไม่ดี่่่ิ้ามเอกรื่อสที่หลงใีรรดแล้วก็จะจับได้าก็ลวง่อว่าส่งใชนเราไม่มีาจแล้วันจะอุรที่ที่าใไม่ใช่ ตรงที่มีอยู่รู้สึกไหมพอมีสติขึ้นมาบางทีมีความสุขโฉยขึ้น ม, mm hmm. โมนาโสมนัตเกิดก็ไ ม, โม่โสมนัตเกิดเพราะจิตเราเป็นมหาคูโสดาจิตมหาคูา่โสจิตมีเวทนาสออย่างทงนั้นโสมนัติกับอุเบกขาแต่อุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาทื่อๆนะอุเบกขาแบบชื่นอกชิ่นใจเนะี่ยมันส้างปีติก็เกิดทําไมปิติเกิดก็มีธรรมาวิจัยมีความเพียรความเพียรนี่หมายถึงสติมันเกิดบ่อย ไม่ใช่เราจงใจไปเลียนนะสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบเกิดจากสติทันทีที่สติเกิดอภูสลดับทันทีทันทีที่สติเกิอดอภูเสเกิดทันทีนี้คือตัวสัมมาวายามะเพอมันซ้ำๆนะปีติเกิดพอปีติเกิดเกิดไ้วพอเราเห็นตัวปีติสัตย์สที่ยัเกิดมันจะระงับลงไปโดยที่เราไม่ได้ไปแตะมันเลยนะนัดใจที่จะตั้งมั่นมีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับเนกับตัว ถ้าใจตั้งมั่นอยู่กันเรื่อบตัวเราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามทั้งสิ่งภายในทั้งสิ่งภายนอกไหลมาไหลไปใจเรารู้อย่างเป็นกลางรู้อย่างแช่มชื่นนั่นคือเบรคขาดฝึกไปเจนทั้งใจเราชำนิชำนาญเราจะรู้สภาวะธรรมทั้งหลายโดยไม่เข้าไปแทรกแทกถึงจุงดหนึ่งอริยมรรคจะเกิดขึ้นดีนะฝึกได้ดี ถ้าเราไปดูไปดนี่ยเขาสอนธรรมะเรานะอย่าไปเกลียดเขาครูของเราบางคนหน้าตาดุนะบ า, บางคนหน้าตาใจดีใช่ไหมครูบางคนเกลี้ยวกลว่อมดุดันบางคนก็โอ้ตัภาพนุ่มนวลครูตนแหละครูตนเป็นครูเรานะอย่าไปเกลียด ม, มัน <c ười> ดีคือได้ดีดีใจด้วยนะคุณเบอร์เบอร์แปดรุ้ไหมใจรอยไป แต่มันหนีไปเราก็รู้นะรู้ไปเรื่อยๆ้องโยมยังติดการบังคับอยู่นินดนึงขณะจิตเนี้ยมันยังควบคุมตัวเองค่อยๆดูสภาวะนะรู้รู้ทันตัวเอง ด, ดูสภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันคุณที่ว่าทากับข้าวแล้วดูเมื่อกี้นี้ทำอะไรหลงนะโยมนึกออกไปยังว่าหลงสารพัดหลง หลงดูลงฟังลงคิดกระทั่งปฏิบัติก็ลงปฏิบัติตรงที่เราไปกำหนดนั่นแหละลงปฏิบัตินะ่ะคือโลภเกิดขึ้นก่อนแล้วก็เกิดการกำหนดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทนนะใจลอยแวบบ้บนึงทราบไหมตรงนี้ดีนะเขาแสดงเกิดดับผู้ถึงเห็นไหมจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีช่องว่างเล็กๆ ม, มันขั้นอันอีกแว้บหนึ่งนะสุดไหมไเร็ว เราต้องมีสติฝึกนะเสริสติเราเร็วทันสภาวะไม่ใช่เป็นหน่วงสภาวะให้ช้าๆเพื่อให้สติที่ช้าๆตามทันถึงเราจะแร้งเดินเก้าหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวีเดทเกิดไม่ยอมหยุดกังเลยนั้ น, นต้องรู้ทันฝึกสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่หน่วงอารมณ์ที่ช้าลงเนี่ยใจตา อ, อีกแล้วทราบไหมเออจริง น, นะไปอีกแล้วทราบไหมบังคับแล้วทราบไหมแข็งชื่อขึ้นมา ดูออกแล้วใช่ไหมมันจะมีสามกลุ่มหลักๆอันหนึ่งเผลอไปอันหนึ่งรู้สึกตัวหนึ่งบังคับเนี่ยวนอยู่อย่านงนี้สามอันเห็นแค่นี้ก็พอแล้วัวนวันหนึ่งนะ้วดูอย่างนี้ไปอีกแล้วทราบไหมแต่ไม่บังคับนะไม่ใช่กลัวไปนะไปก็ได้เมื่อไปเราเป็นอกุศลเราจะได้เอาไวเ้เรียนรู้ไปอีกแล้วทราบไหมดีแล้วตึกแปล่งถ้าไล่มากไปก็จะ วุ่นวายนิดหนึ่งเราก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะเดี็กกลับบ้านไปแล้วจะได้รู้ได้ชำนิชนานาญมากขึ้นมากขึ้รู้จักสภาวะเยอะมีคนมาถามหลวงพ่อนะแต่ก่อนพุกเด็กไปวุน่นถามหลวงพ่อจะใช้ผมจะใช้อารมณ์นอกสติปัฏฐานได้ไหมเนี่ยพยายามจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะบอแล้วจะใช้อะไรอะ่ะทุกครั้งที่ฟ้าร้องผมจะรู้สึกตัวไม่ได้ปีหนึ่งร้องไม่กี่ครั้ง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 ถ้าเป็นนักปฏิบัติเขจะเติมเพ่งเข้าอีกส่วนเผลอไปรู้สึกปุ๊บเพ่งปั๊บเผลอไปรู้สึกปุบเพ่งปั๊บนะเป็นอย่างนี้เวียนเวียนเียนเป็นาี้แท้จริงแล้วสภาวะอันใดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตั้งไว้ให้เกิดได้ทั้งวันฉะนั้นเร า, เามาทําสติได้ทั้งวันวิธีทําให้เกิดสติไม่ใช่บังคับตัวเองไม่ให้ขัดสติถ้าบังคับได้สติเป็นอัตตาจิตเป็นหนาตามันบังคับไม่ได้จริงหรอกมัได้แต่เพง่ง เกงชื่อๆไว้อย่างนี้รู้สึกว่าวบคุมได้ติตเป็นอนัตตาจิตก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ตามรู้มันเรื่อยๆในตอนนี้ปัจจัยจะทำอะไรมีปีคิดทราบไหมใช่ปิจิตต่ำแต่คำว่าหลงนี่หลงคิดได้ดูน่าเกลียดแต่ว่าเราอยู่ในโลกเราต้องคิดนะตั้งไปคิดไปเราต้องทําอย่างนี้ไม่งั้นไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเวลาเราลงมือปฏิบัติจิตไปฟังก็รู้จิตอีกคิดก็รู้ รู้ท <exhausted> ันจิตลงรวังก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้เนี้ยเนี้ยใส่นี้หนึ่งแล้วทัาบไหมดีนะหัดดูไปเจอตอไปเนี้ยมันขยับเยื่นปรุงกุศลปรุงอาคุศล้วเห็นหมดเลยแล้วเราจะรู้เลยกุศลเกิดแล้วก็ดับอาคุศลเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนี่ปัญญาตัวจริงอยู่ตรงนี้นะปัญญาไม่ใช่อาการทางร่างกายนะพวกเราหลายคนเข้าใจผิดอย่างเดินเดินแล้ววูบวูบวาบวาบนั้นอาการของปีตินะ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 เข้าสมาธิจริงหลายๆวันที่อยู่มาจะสังเกตไหมกิเลสแกไม่เห็นมันหมดไปเลยเข้าไปถามอาจารย์อาจารย์เป็นสมภารอาจารย์ชั้นทำไมกิเลสไม่หมดชั้นเป็นพระอรหันต์ทำไมกิเลสไม่หมดสงสัยว่าจะไม่ใช่ละมั้งอาจา ร, โโนะา ร, ารย์โมโหนะพระอรหันต์เลยโมโหพระอรหันต์เขาลนะไล่ออกมาจากวัดแอบตกลงมาทางกําแพงเพช ร, รนี่ผ่านา ไปแยหาแม่ชีท่านชีนายแล้วก็บอกคุณแม่ที่ฉันสงสัยว่าทีชั้นถูกหล อ, อกมาสี่สิบปีคุณแม่แล้วบอกค่าถูกหล อ, อกหกสิบปีแล้วที่จริงครูบาจารย์แต่ก่อนเนี่ยท่านหวังดีนะที่ท่านสอนเรื่องโสรดยานไว้แบบนั้นวัตถุประสงค์ตั้งเดิมมันท่านสอนเพื่อให้เกิดกําลังใจที่จะปฏิบัติเคยมีคนพัวงท่านตั้งแต่สมัยที่ท่านยังอยู่กัน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 ปฏิบัติทำแล้วมีความสุขนะไม่ใช่ปฏิบัติแล้วมีความทุกข์เราปฏิบัติเพื่อคน้นทุกข์นะไม่ใช่ปฏิบัติให้ทุกข์มากกว่าเก่าแท้จริงแล้วเมื่อไรสติเกิดขึ้นจิตมีความสุขทันทีเพาความทุกข์เนี่ยเกิดร่วมกับอกุศลจิตเท่านั้นอย่าไปนะ่ะความเครียดแม้แต่นิดเดียวนะก็คือโทวสร้งมูลจิตถ้าจิตเกิดความเครียดสักนิดเดียวนะอกุศลแน่นอน งั้นถ้าปฏิบัติแล้วใจแข็งใจตึงขึ้นมาใจหนักขึ้นมาใจเครียดขึ้นมาอคติส่วเกิดขึ้นแทนกุศลแล้วแต่ถ้ากุศลตัวจริงเกิดในะใจจะโปร่งโล่งเบาเลยนะมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนปราดเปรียวคล่องแค่ว่างไวรู้ทุกอย่างตามที่เขาเป็นรู้ซื่อๆได้ดูชูกตารู้ซื่อๆของเรารู้แล้วชอบเข้าไปแทรกแซงรู้ใน่ซื่อรู้แล้วฉลาดไปท่านอาจารย์บอกว่า ใจเราแ้วก็มือถืเราเป็นการพีีพีตคือเพ่งเนี่ยนะปกติเราชอบเพ่งนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะคือนักเพ่งการเพ่งกับการรู้เนี่ยไม่เหมือนกันอยกเป็อย่างเดียวเราเอาหัวไม่มือเพล่งตั้งอไี้ยแล้วเราเพ่งใส่หัวไม่มือนะให้จิตเกาะเข้าไปที่หัวไม่มือหรือดูท้องก็ได้อยู่ท้องของยุบก็ได้อะไรก็ได้เอาที่อย่าง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 อย่างเวลาคนส่วนมากกำหนดท้องของยุกเนี่ยเขจะไปเพ่งใส่ท้องเหมือนที่โยมเพ่งหัวไม่มือเมื่อกี้เวลาเดินจงูงกรมยกเท้าย่างเท้าจะไปเพ่งที่เท้าเมื่อคนจะหยับมือจะไปหยิบของเนี่ยจะเพ่งไว้ที่มือนี่คือการเพ่งทั้งหมดสื่งที่เกิดขึ้นคือสมรตานะแล้วก็เกิดอาการของสมถติเช่นเกับตี๋ตีขึ้นมันตัวลอยตัวโครงตัวเบาผนลุกน้ําตาไหลรู้สึกบุบบ้าบ้เหมือนปลาแลบเลย นี่เป็นอาการของปีตีทั้งหมดเลยเกิดจากการเพง่งการรู้กับการเพ่งไม่เหมือนกันโยมลองเพ่งใหม่เพ่งอย่างตกี้มยโยมดูออกมในระหว่างที่เราตั้งใจเพง่งจิตเรายังสายไปมาดูออกไหมจิตมันสายรู้ว่ามันสายนี่คือการรู้เราไม่ได้จงใจไปเพงเ่งตัวจิตใช่ไหมแต่ว่าจิตมันสายเราจะไปเพ่งผมไม่มือแถ้ๆจิตมันสายเรารู้ว่ามันสาย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 แต่การเพ่งนี่เป็นสภาวะที่ถูกรู้ขึ้นมาเองค่อยๆดูสภาวะนะน่าจะเห็นเลยสภาวะทั้งหมดเกิดดับสภาวะทั้งหมดเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราไปเพ่งนิ่งอยู่นะจะเกิดอาการของสมถะจะเกิดผีตีขนลุกผลชันรู้สึกเหมือนตัวอะไรมาใส่สู้ๆซาด ๆ, าๆอาการของสมถะอย่าตอนนี้โยมฟังอาตมาพูดฟังเราคิดทราบไหมนะคิดอยู่ขณะที่คิดโยมรู้สึกไหมรู้เรื่องที่คิด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 ไม่ใช่เอาวันใดอันหนึ่งโยมที่ว่าทำกับข้าวทุกวันอ่ะใจลอยที่อีกแล้วนะอะไรนะเออเนเอนยคมิยอที่ที่ื่อตามผู้ีควนั้นจะอว่า่งารก คือกรรมฐานแต่ละอย่างเนี่ยมันเหมาะกับคนแต่ละคนกรรมฐานแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่เราต้องทําทุกอย่างถ้าทําถูกต้องสติจะเกิดเกิดเหมือนกันเลยไม่ว่าทําอะไรนะสติอย่างเดียวกันจะเกิดขึ้นสามมาสมาธิคิตใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมารู้นเนื้อรู้ตัวขก็อย่ันเดียวกันไม่ต้องทําทุกอย่างนะทํามันไหนได้เอาอันนะั้นที่กรรมฐานท่านสอนได้เยอะเพราะว่าคนเรามีจริตนิสัยต่างกันมาก อนาปนาสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ทํายากมากในอานาปนาสติเนี่ยตัวมันเนี่ยแยกได้หลายทางเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้ในส่วนใหญ่ที่ทําเนี่ยจะกลายเป็นสมถะสังเกตไม่มท่านจะไปจบลงที่การระ ง, งับกายสังขารการระ ง, งับลมหายใจลงไปเพราะฉะนั้นในอานาปนาสติในสติปัฏฐานเนื้อหาส่วนมากจะเป็นเรื่องของการทําสมถะเท่านั้นเอง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 ถ้าไม่สบายจะไม่เกิดสมถะไม่สงบเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทาสมถะด้วยการหายใจนะหายใจออกอย่างผ่อนคลายหายใจให้ผ่อนคลายนะแล้วก็รู้ลมหายใจเล่นๆรู้อย่างสบายนะจิตถึงจะสงบเพราะความตกเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิตาพิธำสอนอย่างนี้นะความตกอะทําให้เกิดสมาธิเฉะนั้นถ้าเราหายใจอย่างมีความตกจิตจะมีสมาธิ เราดูท้องฟองยุบอย่างมีความสุขจิตจะเกิดสมาธิแล้วขยับมืออย่างสายลมพัดเย็นขยับอย่างมีความสุขแล้วจิตจะมีสมาธิขึ้นมาได้แต่ว่าจิตจะเเพ้าอยู่ที่อารมณ์นะเหมือนที่เข้าไปเกาะัวไม่มือจิตจะไปเกาะ อ, อยู่แตเกาะยังมีความสุขจิตจะสงบขึ้นมานี่อันที่สามอันแรกในหายใจแล้วลืมตัวเองอันที่สองหายใจแล้วจิตเข้าไปเกาะลมหายใจอย่างสบายๆแล้วก็สงบนิสมรตะ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 ดูท้องฟองยุบไปจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตเป็นเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้พอรู้ทันสภาวะอย่างนี้ก็ใช้ได้จะได้ดูจิตได้จะเห็นจิตเกิดดับได้คุณที่ทำกับข้าวอะ่ะใจลอยอีกแล้วน้ำภาษาสกกันบ้างถูก <c oughs> ต้องกินมีเมล็ดเออชี้จิตม <c oughs> ไม่ดี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 มีสติเพื่อจะได้รู้จักขาดสติแล้วไงโมหะเยอะแล้วเป็นไงเจ๊พ mm hmm. ี่เขียนนะ้ mm hmm. าคุปตะสามอะไรนะอ้าอะรนะอ่าจิตขนาดนี้เป็นไงคุปตะเสริฐจิตขนาดนี้เป็นไง mm hmm. รู้ตัวเต็มที่อะ ข น, นละละาด น, นี้นะขนาดนี้ขนานี้นะรู้สึกไหมจิตเรารกระวนกระวายนะนะใรู้ทันรู้สึกไหมเรายังบังคับตัวเองอยู่<ๆ>ยังควบคุมตัวเองอยู่นะ<ๆ>ให้รู้ลงไปนะมันยังไม่ใช่ความรู้สึกตัวแท้เรารู้สึกตัวแท้แทะยัยไม่ได้บังคับที่จิตมีผมก็ยังยังไม่ได้ บรรทับนิ้เดียวก็มากเกินไปแแต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็ใช้ได้ถ้าเปิดเจ็บเดเจ็บสรงกันบ้างดต่ระลึขึ้นได้านีจงตอตู้ว่าเิดามะมีแล้วนะสติจริงๆเราเกิดขึ้นแล้ว ใจเราก็รู้ตื่นขึ้นมาเราก็จะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายไหลามาแล้วไหลไป mm hmm. เห็นทั้งวันนอนกลคืนรู้สึกหมพิษซ้ายพิษขวาก็รู้นะ mm hmm. รู้สึกแนละ้วใครบอกว่าดูจิตแล้วไม่รู้กายจริงนอนอยู่ยังรู้เลย mm hmm. <laughs> เห็นไหมตัวที่กระดุกระดิกอย่ไม่ใช่เรา mm hmm. เห็นทันทีนะว่ากายนี้ไม่ใช่เราเห็นทันทีแ่ดีเห mm ็น hmm. ิตไม่เป mm ็น hmm. ตัวเราใช่ถูกต้องดีที่เห็น คนส่วนใหญ่ไม่เห็นนะยิ่งพวกพี่เพ่งรูปรูปเดียวนะไม่เคยเห็นจิตเพราะฉะนั้นไม่รู้หรอกว่าจิตเป็นเราแต่การที่เราเห็นว่าจิตเป็นเรานั่นแหะดีแล้วถึงวันหนึ่งปัญญาแจ้งเราจะรู้เลยที่ความเป็นเราเกิดจากความคิดนี้จิตกำังมีตัวเองได้วเรัวนี้ตัวตัวนั้นตัวั้นตใช่ใช่มันถูกขงังอยู่แล้วก็ตัวนี้จะขาดตอนที่ได้พระโสดาบัน แต่ตรงได้พระโสดาบันเวลาดูลงมานะจิตจะไม่ใช่เรามันจะเห็นจิตนี้เคลื่อนไหวไปเหมือนเห็นกายเคลื่อนไหวไม่ใช่เราแต่ว่ายังถูกขังมันจะมีสภาวะหนึ่งกุ่มจิตไว้ตลอดขังไว้จิตไม่เป็นจิตหลักก็ตัตดรั้งที่สี่เพียงแค่รูดออกจากที่ขังทั้งที่หนึ่งสองสามเมืม่อรุดชั่วขณะแวบเดียวเดี๋ยวกลับมาปิดใหม่คุมรู้สึกไหมเหมือนอยู่ในแคปซูล คือนาทีมันทุกข์อ่ะมันทุกข์ล้วนๆเลยรู้สึกไหมทุกข์ทั้งวันทุกข์ทั้งคืนไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะเพราะเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างนะเขายังหลงอยู่ตัาาััติวจริงจรี้ปน้ตอพูแวามันาาล้วก็เ่อ มันจะทุกล้วนล้วนมันจะทุกล้วนล้วนไม่ใช่ทุกว่างทุกวาก็อะไรก็วความจริงคือขันเป็นทุกข์ขันไม่ใช่เป็นสุขไม่ใช่ไปดูให้มันเป็นสุขนะแต่ทันทีที่สติเกิดจิตเป็นกุศลมันมีความสุขแบบจิตที่เป็นกุศลแต่ว่าปัญญาเราไม่ได้นิ่งนอนใจเพลิดเพลิอนอยู่กับจิตที่เป็นกุศลปัญญาเราได้มาสอดส่องตรวจตรายอยู่ในขันเราเห็นเนะื้อทุกล้วนล้วน ถ้ายังเห็นว่าทุกบ้างสุขบ้างจะบล่อยวางไม่ได้เห็นว่าทุกล้วนล้วนด้วยความเป็นกลางนะมันจะปล่อยวางต้องกลางนะต้องกลา ง, ง, ง, งดีแล้วดูลได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะมีคนทําได้อย่างนี้เยอะแนะนะเห็นไหมสติเกิดเองเกิดทั้งวนันเกิดทั้งคืนไม่ได้เชิญให้เกิดก็เกิดร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นเลยกายไม่ใช่ตัวเรา เวทนาสุดทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่เรากรูสนนะคูสนไม่ใช่ตัวเราเห็นหมดเลยหรืออันเดียวที่จิตเป็นเราก็ อ, อะไรก็สักกายะที่จิตยังไม่ขาดบางคนไม่ยอมดูสักกายะที่จิตนะที่ดูเป็นลมหายใจอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าไม่มีสักกายะที่จิตอันนั้นมีแต่ไม่เห็นเรียกหลงแล้วนะเบอร์เจ็ดหลงลนะเบลอไปเฉยๆเลยนะั้งเบอร์ 12, สิบสองตรงกันบ้าง ใจใจขนาดนี้รู้ตัวเต็มที่ยังยังไม่เต็มที่นะไปไๆดูไปน่นอะเออนั่นแหละไอ้ตรงที่ผิดนั่นแหละมันยังติดบังคับการู้สั่นมันหรจุดหนึ่งไม่บังคับนะเราฝึกเจอแคเป็นจิตละไม่รู้สึกเพื่อบังคับ วมันปวขงไม่ใช่ที่แต่่าติดที่ที่ออย่างี้สมมว่ามันสุดนานมันควรจะหายอยากให้หายเอาแล้วเราก็ไปเคล่งมันเรารู้ว่าเรากำลังทำสมถะอยู่ไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดว่าทำวิปัสสนาอยู่นีม่มีปัญหานะคือแยกไม่ออกระหว่างสมถะไปเพ่งกาหนดวิปัสสนามันรู้มั้ เราแยกไม่ออกตัวนี้นะั่นสับสนละยุ่งนะส่วนใหญ่ทําสมถะอันนึก็ว่าทำวิปัสสนาคนขึ้นวิปัสสนาจริงจริงน้อยที่สุดเลยนะน้อยมากเลยเหลือทั้งหมดของนักปฏิบัติทําได้แค่สมถะก็อะไรก็มีโลภะนําหน้าอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากสุขอยากได้มรรคผลนิพพานเป็นไปด้วยอยากพอมีโลภะเกิดขึ้นก็เกิดการทํางานขันใจไม่มีตัณหาีความอยาก การทำงานทางใจคือการสร้างพบการทำงานทางใจคือพบนะไม่ว่ากลัมาพบความทุกข์ก็เกิดขึ้นกลายเป็นปฏิบัติไปทุกไปนะแทนที่จะรู้ทุกข์นะจะเป็นปฏิบัติสร้างทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าปฏิบัติรู้ทุกข์นี่อย่างเบิดเจ็บชักจะรู้ทุกข์แล้วทุกข์ล้วนๆรู้สึกไหมมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์ล้วนๆ ปัญญามันจะ 9, ก้าวเข้ามาสู่จุดนี้ถ้าก้าวมาสู่จุดนี้นะถึงจุดหนึ่งมันจะปล่อยวางถ้ามันเห็นกายนี้ทุกรุนร้วนก็ปล่อยวางกายหมดความเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสานาคามีนะถึงจุดที่มันปล่อยวางความยึดถือจิตได้ไม่มีอะไรจะยึดเบอร์หกสิบสามมามาตัดไปตัวนี้เหรอมาจากพิมพ์โตอ๋อพิจันทร์เหรอ จำกิะเทศใกล้เคียงกันที่เนตะคเทใ้ัเอคาีก็ไยูวจที่ล้าเนรอี่ยไ้่รู้ที่ผ่านไปแล้วชั้นหนึ่งถูกต้องแล้ว การดูจิตเนี่ยดูตามหลังเมื่อกี้โกรธตอนนี้รู้สึกเมื่อกี้โลภตอนนี้รู้สึกเมื่อกี้โลงตอนนี้รู้สึกไม่ใช่กิเลสเกิดไปสติเกิดไปพร้อมๆกันไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่สติตัวจริงเพราะะนั้นสติอย่างโลกโลกเดินไม่ให้ตกกระดถ้าสติตัวจริงเกิดขึ้นจะเป็ น, นยัยงจะเดินลงบันไดเนี่ยมันรู้สึกกลัวจะรูวนะ่ากลัวนะเพกลัวจะขาดสะบั้นไป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 ตอนนี้ยังบังคับตัวเองเกินความจริงอยู่นิดหนึง่งรู้ออกไหมเอเอเกรงนะม่รู้ไปเบอร์สิบสี่ 14, ไปอีกรอบเบอร์สิบสี่<อ>าา้าวนักข่าไหลนนี่มาจากประเทศไหน่ื่อทีดูแลันแล้วก็คนนี้ที่จะได้มาฝากแล้วก็จะไดอว่าอทำ่นี้นะเพื่อนๆนร จับตัวเองไม่ถูกหรอกไม่มีตัวเองจะให้จับฟ <c oughs> ังไปก่อนนะฟังไปแล้วอ็ซีดีไปฟังนะแจกให้ฟังฟรีๆฟังแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปมาฟังหลวงพ่อก็แจ้งพูดให้ตรกนะเรฟังแล้วเออขำนะเราก็รู้ทันใจที่ขำขึ้นมาบางตอนเป็นเนื้อหาธรรมะล้วนๆฟังแล้วใจเขาจะตึมๆรู้ว่าตึมฟังแล้วก็คอยดูใจกะ อัดดูใจนะเอาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งตรงกันบ้าง mm hmm. อือส่งตั้งแล้วธรรมะมันเหนือคำพูด mm hmm. มีสติหรือเปล่าตอนนี้มี mm ้ hmm. างมีางรัขณะนี่หลังขณะจิตนี้หลังรู้สึกตัวเต็มที่ยังม mm hmm. าจับุูบปากเห็นไหมหลวงพ่อไม่โหนเลยนะ ไม่รู้ตัวรู้ว่าไม่รู้ตัวก็สอบได้แล้วกําลังสงสัยรู้ว่าสงสัยก็สอบได้นะสงสัยแล้วคิดใหญ่เลยแหมคิดแล้วปิ้งที่มันสอบตกเลยเราไม่รู้สภาวะทำนี้ล่ะถ้าสุดท้ายไห ม, มถ้าสุดท้ายวะไม่หายคไม่ไแลก็สงสัยเลยก็เสงสัยเลยสงสัยแล้วทํายังไงดี เริงหลวงพ่อไม่ค่อยอยากให้ถามเพราะอะไรธรรมะที่เรามาขอจากคนอื่นแล้วมันไม่ใช่ของจริงธรรมะที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเราแสดงตัวขึ้นมาที่มันจึงจะของจริงเพราะฉะนั้นถ้าความสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่ากําลังสงสัยใช้ได้แล้วจะเห็นเลยความสงสัยนะี่นะเราไม่ได้เชิญนะมันมาเองอยู่ๆมันก็แทรกเข้ามาในใจเราดูไปเรื่อยๆอ้ามันก็ไปอีกแล้ว ที่หัดดูของจริงคือจะได้ธรรมะของจริงให้ถามเพระว่าไม่อยากถามแนละ้วอทีง่าาเรู้าเรสั้็ู้ตามามตามสิ่งที่นอกยงนี้ไม่นงต้องนั่งดูสิ่งแล้ววิ่งไปวิ่งมาทั้น้ดูได้ทั้งวันตวพิเศษเลยแต่ว่าต้อมีข้อยกเว้นเราอยู่กับโลก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 จิตจะรู้กายรู้ใจไม่ได้ทำวิปัสนาไม่ได้ฉะนั้นในขณะที่เราทํางานที่ต้องคิดตั้งใจทํางานไปจดจ่องานมีสติในการทํางานมีสมาธิในการทํางานไม่ใช่สัมมาสติไม่ใช่สัมมาส ม, สมาธิเป็นสติเป็นสมาธิอย่างโลกโลกแต่พอทํางานไปนสักพักหมืองว่าอยากจะทํางานให้เสร็จ ใ, ใจมันระวนกระวายกลัวไม่เสร็จสติจ ะ, ะระลึกได้กระวนกระวายละกระวนกระวายไม่ใช่งานเป็นกิเลส สติจ ะ, ะรู้สู้เราตั้งใจจะรีบทํางานให้เสร็จโทรศัพท์ตังคบ่อยๆจะ ง, ง, งุนหงิดรู้ว่า ง, งุนหงิดสติจะทํางานตนันเวลาที่เหลือตั้งใจทํางานไปหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับประวัติหลวงพ่อเกษมเอ็มมะโกที่ลําปางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาขึ้นแดดแต่มานนะมันิดปีติดปีนะก็เล่าเรื่องที่ในหลวงเนี่ยไปเจอกับหลวงพ่อเกษม ในหลวงก็ไปเล่าให้หลวงพ่อเกษมฟังบอกว่าตัวท่านนะท่านบอกเรี่กเิว่าผมนะเวลาพูดกับท่านพูดนะครับกผมดูปฏิบัตินะผมงานเยอะวันหนึ่งวันหนึ่ง น, นึอ ง, ง, งานมากเหอแต่ว่าผมแบ่งชีวิตเป็นช่วงเล็กๆมีเวลานาะทีสองนาทีนะผมดูดยอย่างนี้ท่านบอกว่าดีนะหลวงพ่อเกษมบอกว่าดีเราก็ต้องใช้อย่างนี้แหละ เวลาทํางานก็ตั้งใจทําไปมีเวลาเล็กๆน้อยๆดูไปอย่ีกิเลสแทรกเข้ามาดูัปไม่ทิ้งนะของเราส่วนมากพอทํางานเหนื่อยๆพอหมดเวลาทํางานแล้วขอไปมีแหลกซะหน่อยขอนั่งเล่นนอนเล่นลืมลืมเนื้อลืมลตัวไปเออย่างนี้ไม่ดีตั้งใจสื่นๆในเวลาช่วงเล็กช่วงน้อยนาทีสองนาทีรวมกับเราเยอะนะวันหนึ่งวันหนึ่งเคยมีงานวิจัยอันหนึ่ง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 เดินเข้าไปในห้องทํางานไขคุกแจห้องเดินมาตรงนี้ยังไม่ได้ทํางานเลยตรงนี้ปฏิบัติได้หมดเลยเปิดโต๊ะเปิดคอมพิวเตอร์บู้เครื่องตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทํางานอ่านไปจิบกาแฟว้าหนะังสือพิมพ์นี่ยังไม่ได้ทํางานรวมแล้วเวลาทํางานที่ต้องคิดจริงๆนะสี่ชั่วโมงเองงั้นอย่างเราบอกว่าเรางานหนักไม่มีเวลาปฏิบัติเนะเพราะเราทิ้งเวลาไปซะนะเอาเบอร์สิบสี่มีไปอีกแล้ว เห็น <He> ดีนะ <c oughs> แต่เห็นแล้วอย่าวิ่งตามมันไปอย่าไล่ตามแค่รู้ก็รู้เ อ, อแกหนีเป็นเรื่อง เ, เรื่องของแกดีนะนั่งก<ด>ับเธสัมผัสคือได้ินสัญญา้เัญญาเราสัญญานีาสัญญานี่มีสองส่วนนะความจำได้กับการหมายรู้ เช่เราจําสีจําเสียงจํากลิ่นจํารสได้ไม่ว่าเผลของจำอีกอันหนึ่งหมายรู้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักอะแต่ว่าพอเราไปเห็นสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดการเทียบเคียงกับข้อมูลเดิมแล้วก็หมายรู้ขึ้นมาว่าอันนี้น่าจแต่ง น, นี้น่าแต่งมีสองตัวนะความจําได้หมายรู้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันไปเก่งไห้ท่านยังไม่สอนสัญญานาุปัสสนาสติปัฏฐานอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมัน เอาเท่าที่พระพุทธเจ้าสอนสัญญาไปยุ่งมากเดี๋ยวสัญญาวิปะละสเคมีคนหนึ่งพยายามดับสัญญาดัดแปลงสัญญาก็าดัดแปลงไม่ใช่ดับ ด, ดัดับสัญญาจริงๆแล้วเท่าไมโรูสมบัติก็มีสัญญาหรือก็เหมือนไม่มีเลยเนี่ยตัวเรียว่าสัญญาอีกอันหนึ่งที่ดับสัญญาได้ไป็นปลดลุก ป, ปักไม่มีสัญญาเพราะไม่มีจิต มีคนหนึ่งเขาพยายามดัดแปลงสัญญาเช่นเป็นโต๊ะเรียกเก้ายี้เห็นเก้าอี่เรียกเกลียงไปๆมาๆต้องไปหาหมอนะพูดกับใครไม่รู้เรื่องแนละ้วต้องไปรื้อฟื้นสัญญาใหม่เสัญญาอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันสัญญาเนี่ยมันหลอกลวงเราหลอกลวงบางที อ, อย่างความจําได้ขุดขึ้นมาอยู่ๆดีๆจิตมันตื่นขึ้นมาเพราะนั้นจิตมันตื่นเช่นเห็นหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมา จิตมันตรึกขึ้นมานึกขึ้นมาสัญญาไปแสงปัป๊บนึกโยงอดีตนามีคนนี้เคยยังง้นเค ย, ยนี้โยงไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวคิดไปไกลหนะลงไปนานสัญญาอีกอันหนึ่งเป็นตัวหลอกลวงเราทําหน้าที่หลอกลวงเราเช่นนิจจะสัญญาของไม่เที่ยงเป็นหมายว่าเที่ยงของเป็นฟุกเป็นหมายว่าสุขสุขถาสัญญาพวกนี้เรียกสัญญาพิพัฒนา อัปสัญญาเป็นหมายว่ามีตัวมีตนจริงๆรู้สึกไหมเราเรามีการหมายรู้ว่าในนี้มีเราอยู่คนนึงเัื่อมีอัปตสญญ์สัญญาสัญญาเล่นยาอย่าเพิ่งเล่นมือถือสัญญาสัญญาเป็นเครื่องมือสัญญาเป็นเครื่องมือของกุศลก็ได้ขวามกุศลก็ได้ เป็นธรรมะกลางๆสัญญาถูกก็ได้สัญญาผิดก็ได้คนทั้งหมดเลยในโลกเป็นพวกสัญญาวิปลาสแต่ทศบาลษษษีไม่เรียกว่าสัญญาวิปลาสเรียกสัญญาวิปันราหมายถึงเราจะมีการหมายรู้ผิดๆตลอดหมายรู้ถึงนิจจาสัญญาสุขสัญญาอัตสัญญาสุขสัญญาหมายรู้ในความงาม ดังน้นการจเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยแท้จริงแต่ละปัฏฐานแต่ละปัฏฐา น, นเป็นคู่ปรับกับสัญญาแต่ละตัวา ก, การรู้กายเนี่ยมันทำลายความเห็นผิดว่าสวยว่างามเพราะกายจริงๆไม่ได้สวยได้งามการรู้เวทนาเวทนาสติปัฏฐา น, นทำลายสุขสัญญามีแต่ทุกข์นะไม่ใช่มีสุขการดูจิตเนี่ยจะทำลายนิจสัญญาเพราะจิตไม่เที่ยง จิตเกิดดับรวดเร็วเลยการเห็นธรรมะเนี่ยจะทำลายอัตศสัญญาจะเห็นอนาาัตตาการดูธรรมานุปัสสนาแต่แท้ จ, จริงก็คือทำสติปัฏฐานนันแดนหนึ่งถูกต้องนะจิตมันจะกระโดดขึ้นมาสู่ธรรมานุปัสสนาเองในที่สุดก็จเห็นทุกอย่างว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนได้เหมือนๆกันได้ธรรมะมีเรื่องศึกษาเยอะจะเรียนให้กว้างขวางขนาดไหนก็ได้ แเรียนให้น้อยไว้ก็ดีเรียนให้น้อยก็คือเรีนขนาดจิตตอนน้านี่แหละอย่าเรียนเยอะนักเลยรู้ความจริงลงจลักษสนาจลักษณ ะ, ษณะเพราะว่ากิเลสก็เกิดในปัจจุบันนี้แหละมรรคผลวิภานก็เกิดในปัจจุบันนี้แหละเราขนาดตอนหน้าเบอร์สิบสี่ใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมอ้าอ้าวให้ถายผู้ดีผู้ดีผู้ดีน้องผู้ดีอย่า มันลิ่งนี้เป็น้ครว่จะขึ้นมาีนี้รคาม่ามเีมมีสติัาจะปรุงต่อปร้อารมที่ว่แล้วาที่หนมาใช่้สัญญาเกิดก็เกิดสังสารความปรุมืางที่ปรุงดูดนก็ได้ทีปรุงอักูสนก็ได้สัญญาไม่ใช่ตัวสังสาร อีกตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดการปลุงก็คือเวทนาสัญญาก เ, เวทนาสองตัวถึงเรียกว่าจิตตสังขารเป็นตัวปลุงแต่งจิตปรุงแต่งจิตตสังขารมีเวทนามีความสุขขึ้นมาก็ปลุงไปตามนะั้นมีความทุกข์ก็ปลุงไปตามนะั้นมีสัญญาปุดขึ้นมาส่วนมากเป็นอดีตสัญญาอะไรขึนะ้นมาก็ปลุงไปตามนะั้นอน ต้องละไม่เฉพาะหมอบถามได้ดีมากนะไม่เฉพาะอากขุสลนะกระทั่งปรุงแต่งฝ่ายกขุสลนปรุงแต่งการปฏิบัติธรรมนะั่นแหละตอบสนองอัตตาตัวตนล่ะพอเบื้องลึกเลยเรามีอยวิชาเราไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีเราคิดว่ามีอยู่แล้วก็ยึดว่ามีอยู่ด้วยะไม่ใช่แค่คิดว่ามีนะยึดเอาเลยว่ามีพอพอมันมีตัวเราขึ้นมาก็ เ, าเกิดความปรุงแต่ง อย่างที่เล่าเแต่เกี้ปรุง อ, อับคูสนก็ได้ปรุงคูสนก็ได้ปรุงจนดับรูปดับนามอะไรเข้าไปก็ได้ล้วนแต่ตอบสนองตัวเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเห็นตัวนี้ได้ก็ดีแล้วถูกต้อง ด, ดีเห็นไมเราอย่าว่าแต่ปรุง อ, อับศลสนเลยนะที่บุษาปฏิบัตททิธรรมแทบตายดูให้ดีไอตัวนี้อยู่เบื้องหลังใช่ปัญญาที่สังอัญญารด ใช่อมันมันมั น, ม, นมันมีหลายระดับนะแค่เราจงใจกำหนดเนอะุญญาที่สังขาร่ะทำไมเราต้องกำหนดรูปกำหนดนามเพราะเราอยากดีไหมเราอยากรู้เราอยากดีมีควมว่าเราอยู่ลึกๆอะไอ้เรารนี่ยจะซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นปรับใดที่เอาวิชาอย่างอยู่เรายัางอยู่เนี่ยความปลูแต่งก็ไม่ขาด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 อันนี้ยนักปฏิบัติเบื้องต้นจะเห็นแต่อีกอันนึงเนี่ยคนจะไม่เห็นนะยากที่จะเห็นเราไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมูทัยอันนี้ดูยากนะเพราะว่ารู้ทุกข์เมื่อไหร่เป็นธาตุหันเลยนะถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่จะได้ธาตุหันจริงๆอันนีพระนั่งสังสารวัฏจะยิงกันระหว่างทุกข์กับสมูทัยก็มีสมู ท, ทัยจึงเกิดทุกข์ ก, กไ็ไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมูทัยไม่รู้ทุกข์คือเราไม่รู้ว่าเราไม่มีนะ มันถึงเกิดอยากจะให้เรามีความสุขอยากให้เราพ้นทุกขเพอะมีความอยากให้เรามีความสุขอยากให้เราพ้นทุกข์จิตยิงดิน่นยิ่งดิน่นยิงทุกข์ยิง่งทุกข์แล้วก็ยิงดิ่นวิวัตตะสงสารหมุนไปอย่างนี้ตลอดส่วนวิวัตตะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่รู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมูทัยจะถูกละอัโนมัติถ้าสมูทัยถูกละจนหมดจดแล้วก็นิโรดนิพานจะแจ้งขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยการรู้ทุกข์จนละสมูทัยแจ้งนิโรธ เรียกว่ามัจนี่คืออริยมัจงั้นต้องรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจการที่คุณเห็นมีเราอยู่คนนั้นน่ดีมากเลยดูวันหนึ่งมันตายไปสะใจมากพอมันตายไปนี่นะความปลุงแต่งสามแบบนั้นจะหายอัตโนมัติเลยใจจะเป็นอิสระจิตที่เป็นอิสระจริงๆนะไม่มีนอกไม่มีในนะ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 จริงๆยังไม่ใช่หรอกทำแพ้มีหนึ่งเดียวรวดเลยไม่มีนอกไม่มีไในนะมีอันเดียวรวดเลยค่อยๆเรียนนะค่อยๆฟังอ้าว่างเยปีในะหวางั้้าก็ปฏิบัติไม่รู้เกิดอร้่เื่อพัน่เรเนี่ยวนาเนัาน่น้บุไปแล้วก็แต่อื่ อาไม่แปลกอะไรคืออย่างนี้การที่เราเพ่งรูปมากๆเข้านี่ถ้าจิตมันเข้าถึงอัปปนานะมันจะปัดการรับรู้โลกข้างนอกเรืองในโลกข้างใน น, น, นั้นก็เป็นเรื่องของสมาธิแล้วถ้าละเอียดลงไปละเอียดลงไปสัญญาก็จางสัญญาจางจะสบายเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยรู้เหมือนไม่รู้อะไรเงนี้สบายก็หลงอยู่ น, นั้นนานๆถ้าเราหลงแล้วเราตายตรงนั้นนะ เราไปเป็นอรูปอรูรมพอพระสีอานมาตรัสพระสีอานนึกถึงเรานะั้นท่านจะอุทานชิบหายแล้วท่าน <c oughs> จะอุทานด้วยคําอย่างนี้นะเหมือนที่พระพุทธเจ้าเราอุทานกับอลาราดาบุตรทกดาบุตรตอนนึกถึงคูน่นี้โอชิบหายเสซะแล้วจากคุณอันใหญ่คือ เ, เสียท่าแล้วอีกอันหนึ่งเพ่งรูปไปเรื่อยๆแล้วไม่ชอบนามมันจะไม่ครวมเข้ามาอย่างนั้นมันจะดับรูปเลยหมดความรู้สึกไปเลย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 อ ม, มันหลงเยอะไปอ <c oughs> ไว้บังคับนะแต่ว่าไม่ใช่แกล้งหลงนะไม่ใช่แกล้งให้หลงเป็นหลงก็รู้มันไม่หลงก็รู้รู้ไปเล่นๆไม่จริงจัง <c oughs> ทุกข้าวที่เดินรด้วยความรู้สึกตัวเป็นเดือดรุ่มหมดเลย ลุกนาที่นั่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวเกาเรียกนั่งปฏิบัตินั่งสมาธิตลอดเวลาเนย่างการปฏิบัติเราจะไม่แยกส่วนชีวิตเราเป็นสองส่วนเวลานี้ปฏิบัติเวลานี้ไม่ปฏิบัติแต่ปฏิบัตินี้อันเดียวแหละขณะนี้ขาดสติหรือขณะนี้มีสติหลายคนเจะคิดว่าปฏิบัติจะต้องทําเฉพาะตอนเข้าวัดเข้าคอร์สเงี้เข้าใจผิดเวลาที่เหลื อ, อไวเ้เผลอสมา